แนะนำบทอัลมุดดซิรอัลมุดดซิรเป็นบทมั ก, กียะมีห้าสิบองค์การเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆ น, นี้คือบทอัลมุดจำมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดํารงชีวิตและบุคลิกของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดซิรบทได้เริ่มด้วยการใช้ใท่านรอซูล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 ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุชริกีนไม่ยอมศรัทธาด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอผู้ห่มกายอยู่นั้นจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือนและแด่พระผูพ้พิบาลของเจ้าจงให้ความเคลียร์ใครและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระผู้พิบาลของเจ้าเท่านั้น เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้น น, น, นั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข่า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิมม ด, ดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลื่อลน้นและลูกหลานที่พรั่งพร้อ ม, มและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรืนนอน แล้วเขายังโลภที่จะให้ข่าเพิ่มภูนแก่เขาอีกอเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ ด, ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราใ uh นไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาแท้จริงเขาได้ใครครวนและคาดคนเน ด, ดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไ ร, มมลรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไ ร, มมรแล้วเขาได้ตรึกตรองมมรแล้วเขาทําหน้าบูดบึง้งและทําหน้านิ้วคิ้วขมวมมด แล้วเขาก็ผินหลังออกไปและญิงพยองแล้วเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมาแาิลอะ นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำพูดของผู้ทุชนธรรมดาในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้ามามและอันดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร มันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้ววมันจะเผาไหมผิวหนังจนไหมเกรียมเหนือมันมีมาลายกาสิบเก้าท่าน وَمَا ج َ ع َ ل ن َ ا عِدَّتَهُمْ إ ل ا ك ِ ت ن َ ة ٍ ل ِ ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ل ِ ي َ س ْ ت َ ي ْ ق ِ ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ وَيَزْدَادَ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ي م ا ن ا وَلَا ي َ ر ْ ت َ ا ب َ ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ُ و ن وليقول الذين في قلوبهم ّ ر ض و ا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ك ذ َ ل ك يضل الله מ ن يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ج ُ و د ربك إلاه وما هي إلا ذكرى للبشر